ตอนนั้นคุณวุฒิได้ไปทำงานกับลุงทองและลุงพงศ์ตามชนบทช่วงนั้นเป็นช่วงที่อากาศหนาวก็เลยก่อไฟคุยกันไปเรื่อยๆลุงทองก็เกิดอยากจะเล่าเรื่องผีแล้วลุงทองก็เล่าเรื่องให้คุณวุฒิและลุงพงศ์ฟังว่าเรื่องเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนลุงทองก็ได้ไปหางานทาอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกด ลุงทองขนอุปกรณ์เครื่องมือการทำทางไปลงเพื่อเปิดหน้าดินเป็นชุดแร ก, แ, รกแล้วก็ต้องนอนเฝ้าเครื่องจักรกับลูกน้องอีกสองคนก็ไม่มีอะไรทำก็นั่งกินเหล้าอยู่กับลูกน้องไปเรื่อยๆจนประมาณสักสี่หาทุ่มก็มีชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงเดินเข้ามาถามว่ามาทำอะไรกันลุงท้องก็บอกว่าขนเครื่องมือมาทาทาง สาวชาวบ้านก็บอกกับลุงทองว่าพี่ไปบ้านหนูไหมบ้านหนูตอนนี้เขาย่างเนื้ออยู่กลางทุ่งแล้วพ่อหนูให้เดินมาเรียกเห็นว่าปลาเดียวจะหิวกันก็ยกเล่ายกอะไรไปด้วยเลยลุงทองก็เห็นว่าไม่ไกลไม่เกิน1กิโลก็เลยเดินตามสาวชาวบ้านคนนั้นไปพอไปถึงก็เห็นเป็นรางรถไฟแล้วก็มีเนื้อย่างอยู่บนรางรถไฟนั้น ลุงทองก็นั่งกินเหล้าไปฉีกเนื้อย่างไปเอามีดหันไปคุยจีบสาวชาวบ้านคนนั้นไปเรื่อยๆพอเหล้าหมดผู้หญิงก็เอาเหล้ามาเติมลุงทองก็กินเหล้าจนเมาแล้วก็หลับไปข้างๆกองไฟนั้นเลยพอสักหกโมงเช้าก็มีคนมาปลุกแล้วก็ถามลุงทองว่าทําไมมานอนอะไรกันตรงนี้เป็นใครมาจากไหนลุงทองก็บอกไปว่าผมมาทําทางคนเครื่องมือมาไว้ แล้วก็มีผู้หญิงมาชวนผมมากินเนื้อย่างผมก็เลยมาแล้วก็หลับอยู่ตรงนี้ชาวบ้านก็พูดต่ออีกว่ามาตรงนี้ได้ยังไงตรงนี้มันเป็นกองฟอนเผาศพตอนเย็นเมื่อวานกองฟอนสมัยก่อนนั้นจะไม่มีเมนเผาศพจะใช้ฟืนมาสมุนสมอยู่กลางทุ่งแล้วก็เอาศพเผาที่ตรงนั้นเลยโดยที่ไม่มีโรงหรืออะไรเลยลุงทองก็ตกใจหันไปมอง ก็เป็นกองฟอนจริงและสิ่งที่ลุงทองกินเมื่อคืนก็คือเนื้อที่มาจากกองฟอนนั้นหรือเรียกง่ายๆว่าลุงทองกินศพแล้วก็ยังมีเนื้อที่คาเขียงอยู่พร้อมมีดอยู่ข้างๆวงแล้วที่เด็ดก็คือรูปขาวดําที่ตั้งอยู่ข้างๆกองฟอนเป็นรูปผู้หญิงที่ตรงกับผู้หญิงคนเมื่อคืนที่มาชวนลุงทองมากินเนื้อย่างหรือเรียกง่ายๆว่าเขาชวนมากินศพของตัวเองและเหล้าที่เอามาเติมก็เป็นเหล้าสินส้นศพ พอฟังจบลุงทองก็อ้วกพุ่งทันทีเลยพอลุงพง์ได้ฟังก็บอกกับลุงทองไปว่าของเองคิดว่าหล่อแล้วเหรอลองฟังของข้าไหมลุงพงก็เล่าให้ฟังขึ้นว่าปีนั้นลุงพง์ก็ไปทํางานเหมือนกันนี่แหละทําจนจะเสร็จลุงพง์ก็จะชอบไปจีบสาวชาวบ้านแถวนั้นตามภาษาวัยรุ่นก็ไปกันทุกๆคืนซึ่งก็มีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่ลูกสาวสวยมากลุงพงก็พยายามที่จะจีบ แต่ก็ไม่เคยได้คุยสักทีจนมาคืนนั้นลุงพง์ก็ไปกินเหล้าอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งต้นขากลับก็จะต้องเดินผ่านหมู่บ้านนี้เพื่อที่จะกลับแข็มลุงพง์ก็เดินมาเจอสาวคนนี้นั่งอยู่หน้าบ้านซึ่งเป็นบ้านยกสูงสาวนั่งอยู่ตรงบันไดขั้นสุดท้ายของบ้านลุงพง์ก็เข้าไปถามว่าน้องมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้ทำไมไม่เข้าบ้านมันดึกมันดืนแล้วมันอันรสาวก็บอกว่า วันนี้อยากคุยกับพี่ก็เลยมานั่งรอซึ่งก็เข้าทางลุงพงษ์ลุงพงษ์ก็ยกเหล้ามาเลี้ยงกินกันไปสักพักจนเริ่มตึงๆสาวก็บอกว่าพี่คงจะกลับไม่ไหวแล้วพี่นอนบ้านหมู่ไหมลุงพงษ์ก็ตอบว่าได้งั้นก็กางมุ้งให้พี่นอนอยู่นอกชานนี่แหละถ้าเข้าไปเดี๋ยวจะรบกวนแม่สาวก็กางมุ้งให้ลุงพงษ์ตรงนอกชานซึ่งมุ้งของสาวก็จะอยู่ในตัวบ้านพอดึกๆลุงพงษ์ก็หนาวเลยตัดสินใจที่จะมุดมุ้งสาว สาวก็ไม่ร้องไม่อะไรลุงพงก็ได้ใจจนมีอะไรกันหลังจากนั้นลุงพงก็นอนกอดสาวคนนั้นจนถึงเช้าซึ่งตอนนั้นลุงพง์ก็คิดแค่ว่าอย่างมากก็แก้เสียผีเอาเมียไปฝากแม่พอช่วงสายๆลุงพงก็สะดุ้งตื่นเพราะว่ามีคนมาถีบลุงพงออกจากมุง้งลุงพง์ก็คิดว่าคงเป็นแม่ของสาวมาเจอลุงพงก็ขอโทษ แล้วก็บอกว่าจะจัดขัดมากมาสู่ขอแต่ว่าคนที่ทิ้มลุงพงนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ถามว่ามานอนทำอะไรที่นี่เข้ามาได้ยังไงลุงพงก็เล่าให้ฟังว่าผู้หญิงยวนขึ้นมานอนแล้วผมก็มุดมุ้งเขาผมยอมรับผิดผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าจะชวนได้ไงนวลมันตายไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว นวลก็คือผู้หญิงที่ชวนลุงพงษ์ขึ้นบ้านซึ่งในมุงก็ยังคงมีศพของนวลนอนอยู่ในมุง้งสาเหตุที่นวลเสียก็คือเป็นไข้ทับฤดูเสียชีวิตชาวบ้านแถวนั้นพอลดน้ําศพอะไรเรียบร้อยก็จะกางมุงเอาไว้ให้ศพหลังจากที่ลุงทองและลุงพงษ์เจอเหตุการณ์นั้นทุกคนนี้ทั้งลุงทองและลุงพงษ์ก็ดูเหมือนไม่ค่อยจะเต็มกันทั้งคู่ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ